พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าโทษเขาเปิดโทษเราปิดวันให้เป็นวันอังคารที่25ส้า กรกฎาคมพุทธศักราช2560ฝนตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์ยาวนานที่เดียวฝนคราวนี้แต่ก็ถ้าจะหวาไปแล้วก็พอดีพอดีไม่ถึงกัดท่วมแต่ไม่ถึงกัดน้อยนจนเกินไปแต่ทางในวัดของเรารู้สึกว่า พอฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าอึดดัดนะเพราะมันเป็นป่าดงแต่ถึงยังไงเมื่อถึงวันนี้นมันแดดจินะ๋ใหะพระทุกองช่วยๆกันทำความสะอาดนะปัดกวาดถนนของใครของเราอย่าให้มันรกครุงรงังนาที่ออกมาเราเดินออกมาเห็นใบไม้มัน ถ้าบอกภูมมีกิ จ, จวัตรข้อวัดเราเห็นใบไม้มันทนไม่ได้นะมันต้องปัดกวาดทําทความสะอาดอันนี้คือหน้าที่ของกิ จ, จวัตรข้อวัดของพระพระต้องมีกิ จ, จวัตรสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจขนาดที่อยู่ของตนเองอย่างรกกรุงรังการเป็นอยู่ของตนเองอย่างรกกรุงรังและจะจะอาจ ส่วนอื่นได้อย่างไรเพราะนนในพวกเราปัดกวาดไม่เห็นจะยากอะไรเพราปัดกวาดง่ายถนนทอนทางทางว่าฝนไม่ตกนะ้ า, าฝนตกเอาไว้ก่อนพราะมันเปียกปัดกวาดยากพอใบไม้มันติดกวาดพอประมาณแต่พอมันแห้งแล้วกันนะช่วยๆกันทําความสะอาด ปัดกวาดที่พักพาอาศัยเป็นกิจวัตรข้อวัดถ้าเห็นความสะอาดและเทวดาผูมมัลุกคาเทวดาก็อนุมโมทน า, ากับการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ถ้าว่า ย, ยู่แบบสกรปกรกครกรุงรังไม่มึงไม่รู้จักปัดไม่รู้จักกวาดเทวบุตรเทวดาอินพรหมมุก ผมมาลูกขะเทวดาเห็นก็ไม่อนุมโมทนาเพราะพระไม่มีกิจจวัดข้อวัดเพราะฉนั้นไอ้พวกพระช่วยๆกันในช่วงที่ฝนตกก็ไม่ว่ากันละเพราะมันเปียกปัดกวาดยากนะพร้อมกันก็ให้พวกเราทุกหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่เราเป็นเราเป็นพระ คือหน้าที่อะไรแต่ละคณะศรัทธาญาติโยมชาวไร่ชาวนาชาวรัว้วชา ว, ชาวสวนพ่อข้าวานิชข้าราชการนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผีภากสาอายการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าให้รู้จักหน้าที่ถ้าหาว่ารู้จักหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวกไกอก็ไม่ก้าวกายกับก้าวกายแบบที่ว่าตักเตือนที่เราเห็นเขาที่ไม่อยู่กระร่องกรอยไม่อยู่ในกฎระเบียบอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าเราไปจับผิดจับถูกจริ ง, รงๆไม่มองหน้าที่ของตนเองเราเป็นใครเรามองตัวคนอื่นไม่ว่าขาดขาดตกบกพร่อง อยากแต่อยากแตให้อยากแต่อยากจะให้คนอื่นดีแต่ลืมมองตนเองตนเองเป็นยังไงบางอีกตัวเองเร็วกว่าเขาต่างหลายเท่าแต่เขาก็เร็วไปอีกส่วนหนึ่งสิ่งเรล่านี้ท่านให้มองตนเองให้ถ้าเราพวกเรามองตนเองอยู่เสมอนะการอยู่ด้วยกันจะไม่ลืมตัว ร่้งขอให้พวกเราทุกทุกท่านจะเป็นพระเป็นคราวญญาจมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกวิชาอาชีพนะให้มองตนเองทางว่าเราไปพูดพูดหรืว่าธรรมอกับกริยาบางสิ่งบางอย่างใช่มันผิดจริงอยู่แต่เราไปเปิดเผยในที่สาธารณะจนเกินไปก็ทำให้เขาเสียหาย ทำให้วงการเสียหายให้ทาทาให้ประเทศเสียหายประเทศชาติเสียหายก็มีผล น, นั้นเขาจึงมีความลับ อ, อันไหนควรจะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เมืองไทยของเราในยุคโซเชียลขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดเผยกันไม่รู้จกักกาลเทศะการสถานที่บุคคลแต่ตามไม่จริง การที่จะปิดมิดเกินไปก็ไม่น่าจะถูกแต่พอควรจะเปิดถ้าว่าเปิดจนไม่รู้จักความลับจะเลยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันถ้าว่าไม่เชื่อหลวงพ่อดยสิทุกคนผมไม่มีความลับแก่ผ่าให้หมูดูสิมันน่าดูไหมอันนั้นความลับใช่ไหมที่ปกปิดร่างกายของตนเอง นี่แหละทุกคนก็ต้องมีความลับในตนเองความลับในครอบครัวความลับในวงการความลับในประเทศชาติบ้านเมืองผู้ที่จะมาบวชเห็นไหมพระพุทธเจ้าท้งบัญญัติให้ไปถามอันต ร, รายเจตธรรมให้ออกนอกวงซะก่อนให้ถามแบบเป็นส่วนตัว กุดทังท่านเธอเป็นคิดเป็นโรคโทษไหมกี่โทษกุดทังเป็นโลกเลือนไหมกุดทังกันโถกีฬาโซ่เป็นขี้กากไหมเจ้าเป็นนี่เป็นศีลไหมคล้ายเขาถามเป็นความลับซะก่อนถามสองต่อสองพอถามเสร็จแล้วก็ เข้ามาบอกในถามกลางสงบอกว่าผมได้ไปถามความลับแล้วไม่มีอะไรครับ เ, เขาย อ, อมรับทุกอย่างเดี๋ยวผมจะถามในถามกลางสงดูให้สงได้รับรู้รับทราบร่วมกันจากนั้นก็นเรียกเข้ามาก็ถามถามในถามกลางสงอีกที่หนึ่งให้สงได้รับรู้รับทราบอันนี้คือกฎหมายบ้านเมือง อกฎกติกาของสงเป็นอย่างนี้นะเอีอย mm hmm. จากนั้นก็โคดทางแต่เอกภพท่านก็ตอบหนักใหม่ท่านก็ตอบตอบตามที่ได้ที่ได้ถามข้างนอกมาแล้วอันนี้คล้ายๆกับว่าก็ยังมีความลับถ้าว่าถามไปแล้วไปเจอความความลับถอ่ผมเป็นกิจทูตครับ เอาทำมีคิดทูตไม่ได้นะไม่ให้บวชนะบวชไม่ได้เพราะว่าโรคเนี่ยโรคต้องห้ามพระพุทธเจ้าห้า ม, มให้บวชบวชไม่ได้อันนี้เราก็ต้องไปพูดกันจากนั้นเขาออกวงการสูงก็ไม่ได้ออกมาประจานต่อสาธารณชนไม่ใช่ว่าเขาบวชไม่ได้เขาเป็นขี้ทูตเป็นโรคเรื้อนอก็มาประกาศ น, นะนากคนนั้น่ะเขาว่าจะมาบวชแล้วเขาเป็น โรคเลือนบวชไม่ได้ชื่ออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเขาบวชไม่ได้เพราะเขาเป็นโรคเลือนท่านก็ไม่ได้ให้ประจานเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นโรคอย่างนั้นจริงเนี่ยแหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นให้พวกเราทุกวงการการที่จะพูดอะไรออกไปมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเสียหายมากกันะบางเสียงบางอย่าง เราต้องปิดเป็นความรอบคอบไม่ใช่เป็นปิดให้เสียหายนะพร้อมที่จะตรวจสอบได้แต่ก็ไม่ควรจะเปิดในที่สาธารณะจนทำให้เสียหายจนเกินไปพวกเราอาการที่โลกอนี้มันก็ต้องมีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นความชั่วของคนอื่น พยายามเปิดเผยแต่ความชั่วของตนเองพยายามปิดบังปิดความเสียหายตนเองเอาไว้แต่ความชั่วเชิงอื่นของคนอื่นเ ป, เปิดเปิดเผยคนโบราณก็จึงมีคำพังเผยว่าโทษคนอื่นโทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเรา แลไม่เห็นเท่าเส้นขนทาน่านยังว่าตดตดคนอื่นเม้นเบื่อเอาเลือทนตดของตนแม้จะเม้นไม่เป็นไรพวกเราดูสิแค่ว่าคนอื่นทำโอ้เสียหายอย่างมากแต่พอมาถึงข้าวตนเองก็ขอพับอีกเหมือนกันพอเขามาเจอนี่แหละ อันนี้เปโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายัางไม่เกิดฮะแต่เรายัางไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่มาถึงยุคเราเดีเเ๋ยวจะยุคกําลังพัฒนายุคหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะเอาหลักธรรมคาสอนของพุทธทาเอามาประกอบประกบให้มีจริยธรรมที่ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็ต้อง สำมรวมปากขอ ง, งตนเองคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมก็คือความประพฤติการที่จะคิดพอคิดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรออกไปเสียหายไหมที่จะพูดอะไรออกไปเสียหายไหมในเมื่อมันเสียหายจะทำให้คนอื่นเขาเสียหายเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่า มันจะทําให้เสียหายของเขาเป็นการประจานเขาสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนหลวงพ่อสอนบอกกล่าวนะให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้สำรวมใจอีกต่างหากอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีนะก็พร้อมกันก็ให้พวกเรา ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะชีวิตของพวกเราเห็นไหมปู่ย่าตายายออตระกูลของเราลนลงมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเราอีกต่อไปภายภาคหน้าก็มาถึงพวกเราแล้วแล้วพวกเราจะไม่ไปอย่างอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น แล้ว ก, ก่อนที่จะไปเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้คิดยังไงท่านให้ทำยังไงให้ท่านให้ปรับปรุงกายวาจาใจของของตนอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพุทธะถ้าเราได้ศึกษาแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ให้ประกอบคุณงามความดีเนอะจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปุญคุณโทษมีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีการอยู่ด้วยกันให้รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ วายวุฒิคุณวุฒิให้รู้จักสูงรู้จักต่ำให้รู้จักสัมมากระวะการอยู่ด้วยกันเนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนี่ท่านสอนอย่างนั้นนะคณะ ท, ะทายาทโยมพระเนรลูกหลานทุกคนนะถ้าเราวางตัวถูกแล้ว น, ะนั่นแหละอยู่ด้วยกันมากน้อยมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถ้าเราวางตัวไม่ถูกนะเดือดร้อนวุ่นวายนะ ใ, ใครๆก็อยากจะเอาแต่ใจตัวเอง โดยมากใจตัวเองไม่ใช่ใจพระอรหนันมันใจกิเลสนะโดยมากเแต่อจะเอารัดเอาเปรียบมีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นโซนมากนะเพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูตนเองเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพุทธาแล้วให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ใช้ติใช้ปัญญา ให้ความรอบครอบไ้ดีที่สุดนะเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งต่อไปในประสงค์จะอนุโมทนาให้พรรับพร